สารีบุตรปริพาชกเรื่องคําสัญญาข้อหกครั้งนั้นสารีบุตรปริพาชกได้กลับไปหาโมฆลลานะปริพาชกถึงที่พักโมฆลลานะปริพาชกได้เห็นสารีบุตรปริพาชกเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงได้กล่าวกับสารีบุตรปริพาชกดังนี้ว่าท่านหินทรีของท่านผ่องใสผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่อง ท่านได้บรรลุอมตะธรรมแล้วหรือสารีบุตรปริพาชคตอบว่าใช่แล้วท่านเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วท่านท่านได้บรรลุอมตะธรรมได้อย่างไรท่านเราได้เห็นท่านพระอัจิกําลังเที่ยวบินธบัติอยู่ในกรุงราชครึ่มีกิริยาก้าวไปถอยกลับแลดูเลี้ยวดูคู้เข้าเหยียดออกหน้าเลื่อมใสมีจกักษุท่อลง ถึงพร้อมด้วยอริยบทแล้วคิดว่าภิกษุรูปนี้คงเป็นองค์ใดองค์หนึ่งบรรดาพระอรหันต์หรือท่านผู้ดำเนินสู่หนทางแห่งความเป็นพระอรหันต์ในโลกเป็นแน่ถ้ากระไรเราพึงเข้าไปหาภิกษุนี้ถามว่าผู้มีอายุท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบธรรมของใครแล้วคิดว่าบัทนี้ ยังเป็นการไม่สมควรที่จะถามภิกษุนี้เพราะท่านกำลังเข้าละแวกบ้านเที่ยวบินทบาตอยู่ถ้ากระไรเราควรติดตามภิกษุนี้ไปข้างหลังเพราะการติดตามไปข้างหลังเป็นหนทางที่ผู้มีความต้องการรู้แล้วต่อมาท่านพระสัชชิได้เที่ยวบินธบาตในกรุงราชครึกรับบินธบาทแล้วกลับลาดับนั้นเราจึงเข้าไปหาท่านพระสัชชิ แล้วได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกกันและกันแล้วยืนอยู่ในที่สมควรเรียนถามว่าผู้มีอายุอินทรีย์ของท่านพองใสผิวพรร์บริสุทธิ์ผุดผ่องผู้มีอายุท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธ ร, รมของใครพระสัจจกล่าวตอบว่าท่านมีพระมหาสมณะผู้เป็นสักยะบุตรเสด็จ ออกพนวดจากศักยะตระกูลเราบวชอุทิตพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราและเราชอบใจธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเราจึงถามว่าก็พระศาสดาของท่านตรัสอย่างไรสอนอย่างไรท่านพระสัชชีกล่าวว่าท่านเราเป็นผู้ใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมนินัยนี้ไม่สามารถแสดงธรรมโดยพิสดารแก่ท่านได้ แต่จะกล่าวแต่ใจความโดยย่อแก่ท่านที่นั้นเราจึงกราบเรียนท่านพระสัชชิว่าเอาเถิดผู้มีอายุจะน้อยหรือมากก็ตามจงกล่าวเถิดจงกล่าวแต่ใจความแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแต่ใจความเท่านั้นท่านจะทําพเยชนะให้มากไปทำไมลำดับนั้นท่านพระสัชชิได้กล่าวทมปริยายนี้ว่าท่าเราได้เกิดแต่เหตุ